อันนี้ว่าง่ายๆก่อนเลยนะกายไม่มีอกุศลเป็นสมุธฐานคําพูดไม่มีอกุศลเป็นสมุธฐานถ้ากายดีวาจาดีอาชีพจะไปไหนยัยไม่มีใครประกอบอาชีพเกินเนี่ยกายวาจาหรอกก็อยู่กับกายวาจางนั้นถ้ารักษากุศ ล, ลจิตให้ดีนะเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นสมุธฐานแห่งกายวาจาอันนั้นแหละคืออาชีพละ ทีนี้ผู้ที่จะรักษาจิตให้ดีขนาดนั้นให้กายเนี่ยสะอาดว่าจีสะอาดถามว่าทํำยังไงอันนัะต้องสํารวมอินทรีย์นะเพราะอินทรีย์นี้เป็นทาวารแห่งจิตที่เป็นกุศลและอกุศลมันถ้าสามารถสังวรอินทรีย์ไว้ได้ก็รักษาจิตให้เป็นกุศลได้เนี่ยนะเพราะนนั้นกายวาจาเนี่ยนะมาจากจิตเป็นสมุทฐานถ้าจะรักษาจิตอั น, นั้นให้ให้ พองแผ้วไม่ให้บาปอากุศลเศร้าหมองคนนั้นจะต้องรู้จักสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ถ้าจะสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทํำยังไงก็บอกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนะพิจารณาให้หมดถ้าว่าไปแล้วในโลกเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องไม่เกินปัจจัยสี่นะใช่ไหมไม่เกี่ยวขอ้อเรื่องหนึ่งชีวิตที่เราใช้ช่อยู่นะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งหม่มมันจะเล่นลวดลายวิจิตขนาดไหนก็คือหนึ่งเครื่องนุ่งหม่ม สองอาหารเรื่องอาหารเน่ยนะมันขับรถไปไกลหรือจะอะไรก็ช่างเหอะไปหาผักหาผลไม้อะไรก็ช่างเรื่องอาหารสามเรื่องที่อยู่เกี่ยวข้องกับหมอเป็นต้นก็คือเรื่องอยู่เรื่องยานี่อยู่สี่อย่างนั้นนะชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะั้นว่าโดยรวมๆอ่ะทีนี้คนที่จะรักษาตาหูจมูกเลนกายใจให้บริสุทธิ์ผองสายได้อ่ะคือคนที่พิจารณาปัจจัยสี่ที่กล่าวไปแล้วะนะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะการไปเกี่ยวข้องสิ่งใดในโลกนี้โดยรวมแล้วเพื่อปัจจัยสิอนนะอีกเรื่องหนึ่งไม่ไม่เครื่องนุ่งห่มก็อาหารไม่อาหารก็ที่อยู่ไม่เรื่องที่อยู่ก็เรื่องยาเนี่ยนะาอาจจะบางอย่างก็โดยอ้อมบางอย่างก็โดยโดยตรงใช่ไฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเราพิจารณาได้หมดอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้อินทรีย์สังวรเราบริบูรการพิจารณานะชระอินทรีย์ ถ้าสิ่งที่ที่เราเข้าไปใช้สอยเกี่ยวข้องเราไม่พิจารณาเลยนะรักษาอินทรีย์ไม่ได้หรอกเช่นถ้าใช้อาหารเนี่ยนะบริโภคอาหารเนี่ยถ้าเราไม่เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาให้มากปัจเจเวกถึงโทษของการบริโภคอาหารเกินไปเนี่ยนะเรียกว่าพิจารณาคุณโทษเกี่ยวกับเรื่องอาหารให้ตลอดรอบครอบเนี่ยถ้าไม่พิจารณาอย่างเพียงพอจริงๆเนี่ยเห็นเมื่อไหร่มันก็อร่อยทุกที เห็นเมื่อไรก็โอ้โหถูกใจทั้งนั้นเนี่ยนะหรือเห็นเมื่อไรก็แหมเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ยก็จะลักษณะนั้นนะถ้าไม่ปัจเจเว ก, ก็เป็นอย่างนั้นนั่นการพิจารณาบ่อยๆในปัจจัยสี่ทั้งมวลเนี่ยเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งอินทรีย์สังวรด้วยนั่นเพราะเพราะอะไรเพราะเรารู้ประโยชน์ของเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายรู้ประโยชน์ของอาหารทั้งหลายรู้ประโยชน์ของที่อยู่อาศัย รู้ประโยชน์ของอยุกยาทุกชนิดไอการที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการรู้ประโยชน์แบบเนี้ทำให้อินทรีย์เราดีขึ้นนะอินทรีย์สังวรดีขึ้นทีนี้ถ้าอินทรีย์สังวรดีอย่างนี้กายก็จะเป็นกายที่สุจริตวจีที่สุจริตถ้ากายสุจริตวจีสุจริตอาชีพจะไปไหนลนะ่ะเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์ของของศีลเนี่ยนะอันนี้ถ้าเราเอาโดยแต่เอาแต่นวเนื้อหาหรือตัวของของศีลมาพูดเลยนะจะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าขยายไปละเอียดก็จะเป็นในรูปแบบของสิกขาบททั้งหลายทวนอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้นี้อธิบายให้พวกกลุ่มมีปัญญามากๆฟังอันนี้ก็จะสงเคราะห์ปัญญาไม่ค่อยมากอีศีลในโลกเนี้ยคือกายกับวาจาอั น, น, นกายเนี่ยศีลทางกาย ปรมาทน่ก็คือวินยัตกายะวินยัตวจีก็เป็นวจีวินยัตอันนะ่ะกายกับวาจาเนี่ยนะไม่มีใครทําอาชีพอะไรที่พ้นเนี่ยกายวาจาหรอกเห็นั้มฉันกายวาจากายชั่ววาจาชั่วอาชีพก็เลวไปด้วยนั่นเลยจริงๆอันนะัอาชีพหั่นผักขายเนี่ยแต่ถ้าทําด้วยโทรศัพตลอดมันก็จะว่าอาชีพนั้นบริสุทธิ์ได้ไหม จิตไม่เป็นบุญอะไรเลยสักอย่างเลยนะท่านนิยามของศีลในที่เรากําลังพูดถึงต้องเป็นศีลที่เป็นกุศลเลยนะอันนี้จริงจะเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี้กายวาจามีอะไรเป็นสมุทฐานก็มีจิตเป็นสมุทฐานเลยนะแล้วจิตมาจากภวันไหนบ้างเอ่ ก็มาจากทวารตาอินซีะนะมาจากอินรีไหลามาจากตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างเลน้นบ้างกายแล้วก็มโนอันนี้หมายถึงภวังะนะภวังบวกอาวัชชาอันนี้ก็ไหลามาอย่างงี้นะมาจากตาหูจมูกเลนส์กายใจ อทีนี้ถามว่าในบรรดาสิ่งที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรเอานะอาทาวารตาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มบ้างช้อปปิง้งช้อปปิง้งคุณหมอไปครั้งนี้ลดช้อปปิ้งเยอะไหมโครงการจะลดช้อปปิง้ง น, นะคุณหมอ อ, อินเดีย <c oughs> น้อยมากแล้นะหนึ่งเครื่องนุ่งหม่มสอง ทวารตาถ้าจะไปสอดสายตาหาก็ร้านอาหารใช่ไหมเรื่องอาหารอะไรกินได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเห็นต้นนี้นะเออลยาไยลูกมันเป็นยังไงนะวิจาร์มันอร่อยไหมเห็นต้นกล้วยนี่กล้วยพันไหนกล้วยหอมกล้วยน้ําวากล้วยอะไรก็ว่าไปนะหรือว่าอะไรผลหมากรากไม้พวกผักนะบางเจ้าก็บอกเห็นต้นมาเอ๊ดอกใบอันนี้มันอ่อนน่าจะกินได้นะโอ้นี่มะกอกโอ้กินได้อยู่แล้วนะก็เลยเนี่ยยาวไปเลย ก็วิจารณ์กันเรื่องอาหารเนี่ยนะเมื่อตามองเห็นนะใช่มีบางอย่างก็ที่อยู่ที่อยู่ที่ไปเกี่ยวข้องนะเช่นตัวอาคารทุกหลังในโลกนี้ก็สร้างเพื่อประโยชน์ในการอยู่แม้เข้าไปทำงานหนะ้าที่นั้นตรงนั้นก็เรียกว่าที่อยู่แม้กระทั่งเรานั่งนิ่นี่นหน่อยก็เรียกว่าที่อยู่แล้วนะแม้กระทั่งร่มไม้ก็ยังเรียกว่าที่อยู่แล้วเนี่ยนะงเกี่ยวนั้นก็คือเรื่องยาเนี่ยนะเรื่อ แล้วก็ที่เหลือก็จะเข้ามารูปแบบบริวารนะบริวารก็คือกลุ่มปัจจัยปัจจัยของเครื่องนุ่งหม่มปัจจัยของอาหารปัจจัยของที่อยู่ปัจจัยของยุกยาเพราะฉะเรามีตาเนี่ยนะอินทรีย์ก็เพื่อที่จะบริโภคเนี่ยมีหูก็เพื่อจะเงีย่ยหูฟังพวกนี้นะนะส่วนทวารจมูกทวารลิ้นทวารการนี่เรียกว่าทวารบริโภคอันนี้บริโภคแบบ บริโภคตรงๆอ่ะนะเครื่องนุ่งห่มก็ต้องเอามาพันกายใช่หอาหารก็มาพันลิ้นนะอาหารก็มาพันลิ้นยาล่ะยานี่ผันหมดเลยนะมันคันตรงนั้นก็แปะตรงนี้ <g iggle> ก, ก็ว่าไปนะเพราะอันนี้เป็นทวานที่ที่รับสัมผัสในในปัจจัยสี่ตรงตรงเนี่นยเสร็จแล้วก็ทวานใจล่ะจะสุขหรือไม่สุขพอใจหรือไม่พอใจอยู่ที่ตัวนี้ใช่อยู่ที่ตัวผวัง อยู่ที่ไอความคิดหรือในที่สุดก็ย้อนกลับมาหาตัวจิตจิตแล้วพอมาความคิดอย่างนี้ก็เอากายวาจาทําไงต่อไปอะนะมันก็วนอยู่อย่างนี้อาณาจักรของชีวิตจริงๆนะมันก็วนอยู่เท่านี้แหละนะรับ <MO. S 1> อารมณ์ในทวารหแล้วก็ล่วงมากายวาจากายวาจาอันใดไปบ่อยเรียกว่าอาชีพเนี่ยนะชีวิตก็มีอยู่เท่านี้เมื่อชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็มาจัดว่า เอาให้มันบริสุทธิ์เลยนะก็เลยมาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนอย่างนี้อานะส่วนนี้เรียกว่าปัจจยะสันนิสิตสีน์นั่นนะกลมนี้เรียกว่าอินรียะสังวรศีนนไะกลมนี้เรียกว่าศีลสังวรหรือเท่ากับปาติโมก ปาติโมฆะสังวรศีนอันนี้ก็เป็นชีวะปาริสุทธิศีนนี่นะเาะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เนี้ยกลุม่มศีนเนี้ยมันบริสุทธิ์อ่ะไอ้คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้นะเนี้ยเงื่อนไขก็บอกว่าเกี่ยวข้องด้วยศีลที่เป็นกุศลเพฉะั้นการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์จากวัตะเนี่ยนะไอ้ความบริสุทธิ์ศีประการเบื้องต้นนี้ต้องต้องมี ไอ้ความบริสุทธิ์ทั้งสี่ประการเนี่ยนะเป็นเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าอะไรอันนะั้ที่คุ้นเคยกันอันนะัเรียกว่าแบ่งออกเป็นสองไหมีละนะอขอไปสีที่เป็นกุศลอันเนี้ยเท่ากับศีละนะเท่านั้นศีละนะแบ่งออกเป็นสองคือสมานทานังกายวาจามไม่กระจัดกระจายเป็นบาปเป็นอกุศลอุปธารนังรองรับกุศล รองรับกุสลชั้นสูงเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นความบริสุทธิ์ของกายวาจาและอาชีพเพื่อที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงดังนั้นพระนิพพานเนี่ยถ้าเราย้อนไปหาสภาพของพระนิพพานพระนิพนพานนั้นเป็นธรรมะที่สงบจากปัจจัยทั้งมวลใช่ไหมชื่อว่าบริสุทธิ์จากปัจจัยเพราะนิพพานนั้นไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะธรรมเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งเลยข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานนะนะต้องเป็นข้อปฏิบัติ บ, ตบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์ของกายวาจาอาชีพหรือว่าเป็นความบริสุทธิ์ของอาชีพที่มาจากกายวาจากายวาจ า, า, า, จามาจิตเป็นสมุทฐานจิตมาจากตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่อันถ้า ผู้ใดที่จะทําให้บริสุทธิ์ได้จริงๆะนะนีความบริสุทธิ์ของจะตุปบริสุท ธ, ธิ์ที่ศีลสี่ประการนี่เกิดจากอะไรปัจจะยัสานิสิตศีลเนี่ยปัจจเวคขณะสุทธิเพราะ้นจะต้องมันพิจารณาให้มากเพราะตัวปัจใจศีเนี่ยจะเป็นศีลที่บริสุทธิ์ได้อาศัยการพิจารณาเรียกว่าปัจจเวคขณะสุทิถ้าอินรีสังวรนะบริสุทธิ์ด้วยอะไรอธิษฐาน ถไปเห็นไปได้ยินอะไรเป็นต้นแล้วนะได้ยินจริงๆเห็นเห็นได้ยินเป็นต้นก็เกี่ยวกับปัจจัยสีําำยังไงให้ถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยอํานาจอภิชาก็โทรมนัสอธิษฐานบ่อยๆอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ใช่ไหมส่วนปาติโมฆะสังวรเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยการแสดงเทศนาสุธทธิเนี่ยนะ ก, ก็ว่ากันไปถ้าคารวาสล่วงก็สมาทานใหม่ถ้าของพระก็ปลองอบัติเป็นต้นถ้าปราชิกก็ศึกไป หรือไปเป็นสัมมะเนนไปเียนะก็วาครั้งหนึงนงนงน่งส่วนความบริสุทธิ์แห่งอาชีพอันนี้ต้องวิริยะใช่ปริยธิอันนี้เท่ากับสแสวงหานะรู้จักประโยคะเออ ถ, ถ้าถ้าถ้าเรามองจากแง่นี้ไปก็ได้นะชีวิตเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยมองว่าวิชาในโลกเนี่ยโดยมากเป็นวิชาชีพใช่ ในโลกเลยเนี่ยเกือบทุกสายนะคือวิชาชีพเพื่อให้มีกายาวินัตวจีวินัตเพื่อจะประกอบอาชีพอาชีพมาจากไหนก็มานะ่ยคือพฤติกรรมในทางกายวาจากายวาจาเน่มีจิตนั้นๆที่ชํานาญเป็นสมุทฐานจิตที่ชํานาญก็รับมาจากทวารเนี่ยนะไอ้ทวารเนี่ยที่ทําทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อปัจจัยสี่ ก, ก็วนกลับไปกลับมานะชีวิตจริงๆก็อยู่เท่านี้ทีนี้ทํำยังไงที่ว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วอะ่ะเป็นความบริสุทธิ์ที่จะเอ่อที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะเพราะจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายคือนิพพานที่เป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะเป็นอสังขตะธรรมอสังขตะธรรมเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ชั้นสูงสูงที่สุด นนในบรรดาปัจจัยที่จะทําให้แทงตลอดสิ่งที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอะ่ะจะต้องเกิดจากข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นสีละวิสุธทธิอันนี้ข้อแรกที่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากอ๋ที่ควรเจริญนะการะมากว่าไปแล้ว ้เข้าต่อไปนะว่าผู้ที่ประพฤติได้อย่างนี้เนี่ยนะจิตเศร้าหมองโดยมากหรือผ่องใสโดยมากถ้าตั้งคนถามนี้ก่อนนะเอาในแง่ปัจจัยสี่ไม่มีปัจจัยไหนที่ไม่พิจารณาในแง่อินทรสังวรไม่มีรับทวารไหนให้จิตเศร้าหมองเป็นอกุศลในแง่วิญญาณเนี่ยนะไม่มีกายวาจาใดาที่มีโทษในแง่าอาชีพพิจารณาดูแล้วติเตียนตัวเองไม่ได้เป็นต้นเนี่ย ถามว่าบุคคลที่มีความบริสุทธิ์แห่งศีลดีขนาดนี้เนี่ยนะตําหนิตัวเองได้ไหมจิตเขาเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วจิตเขาก็ผ่องแผ้วอยู่แล้วเนนะเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ปีติปสัสสติสุกสมาธิอยู่แล้วอันาเขาไปเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับอัธยาศัยเจริญไม่ยากเลยเจริญพุทธานุสติก็ง่ายคือถ้าเราเป็นคนดีด้านกายวาจาเนี่ยนะ ดีด้านกายวาจาใจาเนี่ยไปคิดถึงพระพุทธเจ้าผู้งามพร้อมเราก็คิดไม่ยากนะถ้าเราศีลดีนะสมมุติถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้นะวิชาอาจารณะสิบห้าเจริญไม่ยากพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีอินทร์สังวรพระพุทธเจ้ามีโภชเนมตันยุตาพระพุทธเจ้าชาคริยานุโยกเมื่อเราปฏิบัติดีตามนี้แล้วเอ็นึกไม่ค่อยยากเลยนะเออที่พระ อ, องค์เป็นอย่างนั้นได้ยังไงพระพุท อ, อ, องค์มีศรัทธามีหีริมีโอตตปะมี สุตมีวิริยะมีสติมีปัญญามีฌานเนี่ยนะพอพระองค์ได้ฌานหนึ่งานี่เออตรึกไปตรึกมาพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเข้าปราโมทก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นสามารถที่จะเป็นอุปจาระสมาธิได้หรือไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งก็ก่อให้เกิดตีติและปราโมทอย่างไม่ยากนักเนี่ยนะถ้าถ้าเจริญได้ตามนีนะถ้ารักษาความบริสุทธิ์ของ ศีลทางกายวาจาอาชีพและปัจจัยสีที่เข้าไปไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะนั้นสมถะทั้งหลายเนี่ยนะทั้งที่เป็นสมถะสี่สิบก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากสม า, สมาธิทั้งที่เป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิก็สามารถที่จะเจริญได้แล้วก็ในโลกนี้นะมีอารมณ์อะไรมั่งที่เจริญสมถะต่อเลยไม่ได้ ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความสุดจริตด้วยกายวาจาอาชีพดีอย่างแท้จริงเนี่ยนะมีส่วนไหนมั่งที่จเจริญกรรมาฐานไม่ได้เลยอารมณ์ไหนมั่งหามาสักอย่างหนึ่งในโลกนี่นะที่ไม่เป็นอารมณ์ของสมถะนี่ไหมไม่มีอากาศก็ยังเป็นอารมณ์ของสมถะอยู่เลยนะแสงสว่างก็เป็นอโลกสินดูเป็นสีขาวเอาสีขาวก็เป็นโอทาตากสินสีเขียว นีละกรสินสีเหลืองปีตกากรสินสีแดงสีแดงก็โลหิตะกรสินดูแผ่นดินน่ยพื้นฐานถ้าปฐวีดีอยู่แล้วก็ปฐวีกรสินเป็นน้ำอาโปะกรสินไฟไหม้เพลิบๆพเเตโชกรสินลมพัดเอือเอ่อยๆ อ, อยเป็นต้นก็วายโยกรสินเห็นคนเนี่ยไม่น่ากรุณาก็น่ามุทิตามีอยู่สองอย่าง น, นะ ก็ต้องมีเมตตาได้มันที่เรียกว่าเห็นคนเห็นสัตว์เจริญพร้อมมีหารในหมดถ้าเขาบริโภคอาหารกลืนเข้าไปอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่นานก็จะตายกันหมดแล้วมรณานุสติใช่ไหมแล้วก็เห็นเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังต่อได้อะไรปฏิกูลมนสิกานใช่ไหมผมบนศีรษะมันก็ไม่รู้ว่ามันงอกบนศีรษะรอกเนี่ยนะพรงนี้ก็ต่อด้วยธาตุไปเนี่ยนะ นี่ถ้าตายวันหนึ่งเนี่ยนะสวันสามวันจะอึดแค่ไหนอย่างเงี้ยนะก็ต่อด้วยอสุภะสิบไม่ยากยานีนะคือถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วมันมองอะไรเป็นกรรมฐานได้หมดเลยไม่ได้เป็นเรื่องยากเกนอะไรเงี้ยหรือที่ไหนบ้างเอาพระพุทธคุณเนี่ยนะมาพิจารณาดูทุกๆอารมณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าต้องโลกับวิทูก่อนอนะันดับแรกน ะ, จะเจริญพุทธานุสติได้แล้วมีอารมณ์ไหนบัง่งที่คําสอนไม่ได้แสดงไว้เนี่ยนะไม่มีธรรมานุสติก็จเจริญได้นะ พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติกับอารมณ์ทั้งหลายโดยที่จิตไม่เป็นบาปรอ้องอันนั้นก็เป็น ส, สังคารุสติแล้วในสิ่งทั้งหลายเราเคยให้อะไรไว้บ้างนะใช่ถ้าผู้ที่เป็นนักให้ทานจริงๆนะเห็นเครื่องนุ่งห่มก็บอกเขาก็เคยให้เอาเห็นที่อยู่อาศัยเขาก็เคยให้ที่อยู่อาศัยมองเห็นอาหารเขาก็เคยให้อาหารพูดถึงยาเขาก็เคยให้ยาเป็นทาน มองเห็นสุนัขเขาก็เคยเลี้ยงสุนัขด้วยด้วยทานกนะุศลเป็นต้นนั่นนะมองเห็นคนเขาก็เคยเลี้ยงอาหารมาเนี่ยนะเคยให้ทานเคยยังได้ย่างหนึ่งมาเนี่ยเนี่ยนะถ้าเป็นเห็นอ่ะเออเนี่ยคนนี้โคมีน้ำมีเนื้อดีมีเลือดดีก็เคยบริจาคเลือดเป็นทานเนี่ยนะน้อมไปหาอะไรมันก็เป็นเป็นได้หมดเลยแล้ววัตถุเนี่ยแต่แตและววัตถุเราไม่เคยล่วงศีลมาเลยไงนะก็ต่อด้วยศีลานุสติเนี่ยนะ เทวดาทั้งหลายเขาไม่เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะเขามีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะก็โอ้จเจริญได้หมดเลยขอให้ศีลดีเถอะมันมองอะไรเป็นกรรมฐานได้หมดอ่ะนะจิตมันก็จะบริสุทธิ์จากบาปจากอากุศลนะมันน่าได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เพราะอะไรหนอเพราะอะไรครูบัญชูอวิชาาวชานะเออมันน่าได้นะสุจริญทั้งหลายเหล่านี้นะกายสุจริตวัจจีสุจริญมโนสุเจริญน่าได้มากอาวิชชาบอกเฮ้ย อ, อย่าพึ่งเลย เอาแกไปได้ทูกจริตแทนเธอเนี่ยนะอาวิชานี่เลวมากนะครบไม่ได้จริงๆเลยมัยนศีลวิสุธทธิดีนะจิตตาวิสุธทธิก็เจริญไม่ยากอ่ะนะ ถ้าตั้งคำถามว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลมีไหมใน ม, มีถ้าเจริญศีลดีทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งศีนหมดแล้วในโลกนี้มีอะไรบ้างที่เจริญกรรมฐานไม่ได้ที่เป็นสมถะไม่ได้เลยแม้แต่อันเดียวหาดูแล้วก็ไม่มีเอาแล้วขี้ฝุ่นเนี่ยเอามาเจริญกรรมฐานได้ยังไงเอาขี้ฝุ่นได้ไหทุกคนเอาฝุ่นมาเจริญกรรมฐานขี้ฝุ่น อ่าพวกปฏิกูลมนุษยการใช่ไหมพวกถ้าเจรินาหาเรปฏิกูลสัญญาไว้มากก็ไม่อยากหรือเป็นธาตุนีนะนะก็เป็นปฐวีธาตุภายนอกถ้าเจริญมรณานุสตีนี่ฝุ่นนี่เป็นปัจจัยแห่งความตายได้ไหมเป็นเพชฌฆาตไหยฝุ่นนี่เป็นเพชฌฆาตไหมเนี่ยนะนะก็เป็นเครื่องมือในการทําให้ให้ตายได้ก็นั่งหายใจนอนหายใจรับแต่ฝุ่นอย่างเดียวเอนี่ยนะนะไม่นานเกิดใหมนะ่นะ่แนละ้วก็ คือไอ้บางอย่างโดยตรงไม่ได้แต่ก็ได้โดยอ้อมเนี่ยนะผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ทื่อๆไปเลยอนะเง้ขาก็มองพิจารณาโดยโดยรอบเนี่ยนะในส่วนไหนที่พอถือเอาได้ไอ้ไฟไม้ป่านี่มันทำให้ได้คิดอย่างหนึ่งนะไอ้ใบไม้เนี่ยมันสีดำดำปีปีเนี่ยไฟเข้าไปมันออกเป็นสีเหลืองเอาสิเนะี่ยแไม่ขีดก้านเดียวนะมันแปลสภาพเป็นสี แล้ทําให้นึกถึงสูตรหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่พผ้าหันเนี่ยเอาผู้พระ้าหันเนี่ยที่ท่านฝึกสําเร็จเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลท่านบอกมันปฏิกูลเห็นสิ่งที่ปฏิกูลท่านว่ามันไม่ปฏิกูลนี่นะคอือสามารถคิดได้นะของสกปรกในเท่ามาจุดเป็นติดเป็นเชื้อเพลิงนะสีของเพลิงจะเป็นยังไงในชะ่ไหมก็สามารถเข้ากระสินต่อไปได้เป็นต้นเนี่ยออท่านไปได้อย่างนั้นเองนะก็คือเชื่อมโยงไปหาเรื่องอื่นได้สบายมากเลยนะ แผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายแหละเนี่ยเอามาพิจารณาได้หมดเลยเจริญได้หมดเลยเห็นใบไม้ตกอันหนึ่งถ้าเจริญมรณ า, านุสติยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะสิ่งที่มีชีวิตอย่าง อ, อสิ่งไม่มีชีวิตยังร่วงโรยเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะเหลือได้อย่างไรแม้เราก็จะตายเช่นนี้แล้วเนี่ยนะก็จะหลุดร่วงอย่างนี้แล้วนี่ต่อไปนะว่าถ้าทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกายวาจาและจิตที่บริสุทธิ์ ย้อนอีกครั้งว่าศีลวิสุทธิ ค, ค, าาคือความบริสุทธิ์แห่งกายและวาจาจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งจิตเมื่อกายวาจาจิตบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วเนี่ยเหมาะหรือยังที่จะชำระตนให้บริสุทธิ์จากวัตถะนะพร้อมหรือยังสำนวนอ่ะพร้อมไหมที่จะบชำระตนให้บริสุทธิ์จากวัตะเพราะว่าคุณธรรมคือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิท่านถือว่าเป็นวิสุทธิที่เป็น เป็นเบื้องบาทเป็นพื้นฐานเพื่อความบริสุทธิ์และยินเสียงไก่งี้เจอเริ่กรรมฐานอะไรเวลาวันอ๋อเพระนี่กรรมฐานนะของมาโยงไม่ติดเลยไม่รู้ว่าโยงว่ายังไงอังไงดีเสียงเป็นรูป สักแต่ว่าเสียงทำได้ไหมละ่ะน้ำเป็ดไหมละ่ะ <c oughs> เป็นปัจจัยแห่งกรรมฐาน ย้อนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะถ้าศีลดีจิตดีศีนก็เท่ากับกายวาจาจิตตาวิสุทธิ์ที่ก็จิตแล้วใช่ไหยก็ท่า ก, กายวาจาจิตอันนั้นในในหัวข้อที่เราเนี่ยก็บอกว่าเป็นความเพียรเพื่ออะไรเนี่ยนะ เป็นความเพียรเนี่ยนะเพื่อความบริสุทธิ์หรื อ, เ, อ al, เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์ก็ได้เนี่ยนะนะคำว่าตรงนี้นะมีมีความหมายหนึ่งคือเป็นความบริสุทธิ์ของข้อปฏิบัติก็ได้เนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์ของข้อปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายคือเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์ที่แท้จริงหมายถึงอะไรนิพานเพราะบริสุทธิ์แม้กระทั่งจากตัดใจเอาพระนิพานนี่บริสุทธิ์แท้จริงจากตัดใจทั้งมวลเพราะเป็นอสังขตธรรมแล้วเป็นธรรมะที่ทาให้บริสุทธิ์จากวตตะที่แท้จริงเนี่ยนะถ้าไม่แทงตลอดพระนิพานเนี่ยความบริสุทธิ์จากวัตตะมีไม่ได้เนี่ยนะ หรือความบริสุทธิ์จากวัตตะมีได้เพราะรู้พระนิพพานเมื่อนิพนพานเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานก็ต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องบริสุทธิ์เหมือนกันถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่คู่ควรแก่ความบริสุทธิ์เนี่ยนะนั้นความบริสุทธิ์กายวาจากความบริสุทธิ์ทางความทางความคิดหรือจิตต้องดีเนี่ยนะ ในกายวาจาจิตเนี่ยทั้งสองประการเนี่ยว่าโดยย่อแล้วก็คือคืออะไรคือการไม่ทำบาปใช่ย่อนึงถ้าศีลก็เป็นการไม่ทำบาปะนะเจริญจิตตะก็คือเจริญบุญเบาปก็ไม่ทำบุญก็เจริญยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เป็นฐานอย่างดีในการชำระตัวเองให้บริสุทธิ์จากวัตะในชั้นแรกเลยชำระทิฏฐิก่อน นะชำระทิฐิคือพิจารณาว่าในมวลโลกทุกชนิดคือสังขาระ น, น, นคือสังขารธรรมใช่ัหยหรือคือสังคตะธรรมหรือย่อว่าเรียกว่าทั้งหมดนั้นคือทุกทั้งนั้นแหละกองทุก ท, ที่มีอยู่ไม่มีสัตว์มีบุคคลมีอะไรโดยสภาวะแท้จริง แต่ก็เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นเป็นสัตว์เนี่ยนะจริงๆก็คือสังขารคือสังคตะคือทุก์ที่มีอยู่อันผู้ที่เจริญวิปั ส, สนาเนี่ยไม่ใช่ไปตามเห็นโดยความเป็นสัตว์หรือบุคลเนี่ยนะชีวะแต่คนที่พิจารณาสังขารมากสังคตะมากเขาจะรู้จักสัตว์บุคคลชีวะไหม รู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารเพราะคำว่าชีวะปุคละสัตตะเนี่ยเป็นโวหารแต่ว่าคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิสำคัญว่าเป็นเป็นสัตว์เนี่ยนะไปสำคัญในสิ่งที่เป็นโวหารว่าเป็นจริงเป็นแท้เนี่ยนะอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเกิดจากอะไรก็เกิดจากความบอดความเขา่าจากความไม่บริสุทธิ์ทางความคิด